มีข่าวดูขาวหนงได้หนพันร์ันนายทหารรถนายพันที่จะงหวัดภาคใต้ก็จะเป็นจังหวัดยะลาเข้าไปในร้านขายเสื้อผ้านเจ้าของก็เป็นผู้หญิงสาวนายพันคนนี้ก็ไปพูดทํานองเที่ยวภาราศีทางหญิงสาวก็ไม่ค่อยพอใจรู้สึเหมือนจะเป็นพี่ชายก็ต่อว่านายทหารคนนั้นนายทหารคนนั้นก็โกรธเคืองแล้วก็เลยเกิดการโต้เถียงกัน จะล่อจะล่อเองก็ได้หลังนายทหารคนนั้นก็ออกจากลาดไปแต่แว่าก่อนออกจากลานก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยทำนองไม่ให้เกียรติ เ, เลยเนะก็จะเป็นถึงนายทหารทีไ่ไม่ให้เกียรติ เ, เลยแล้วก่อนจะกลับก็พูดจาโผมครูอันนี้ก็มีคนผู้มีเจ้าของร้านก็แอบถ่ายวีดีโอเอาไว้สมัยนี้มันถ่ายง่ายอยู่ละทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปเผยแพร่ทางเฟซบ o ๊กหลังทางกองทัพ บ, บกก็สั่งย้าย สั่ย้ายทันทีเลยเอประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่นายฐหารคนกั้วเนี่ยนะไมให้เกียรติคนเลยนะแต่มันน่าคิดนะว่านายทหารที่เรียบร้อยคนอื่นให้เกียรตยิตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยรักษาเกียรติของตัวเองบ้างหรือเปล่าคนเป็นอย่างนี้กันเยอะนะเรียกร้องให้คนอื่นรักษาเกียรตนะิให้เกียรติตัวเองถ้าคนไหนไม่ให้เกียรติก็โมโหนะแต่ว่าลืมถามตัวเองหรือลืมมองตวนว่าเรา รักษาเกียรติตัวเองแค่ไหนอันที่มันไม่ใช่เพราะเรื่องเกียรติอย่างเดียวนะความเคารพก็เหมือนกันนะหลายคนก็จะไม่พอใจโกรธก็เนี่ยคนนั้นคนนี้ไม่เคารพขันเลยแต่ก็ลืมถามตัวเองว่าแล้วเราเคารพตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าคนที่พูดจะคิดแบบนี้นี่บ่อยครั้งก็ไม่ได้เคารพตัวเองก็คือทําในสิ่งที่มันไม่เป็นเกียรติยศกับตัวเอง เช่นไม่ประพฤติตัวให้เหมาะสมนะหรือว่ า, าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะอันนี้เรียกว่าไม่เคารพตัวเองนะเรียกว่าไม่รักษาเกียรติตัวเองที่จริงมันไม่ใช่เป็นเฉพาะกับนายทหารคนนี้นะมันเป็นไปทั่วนะหลายคนก็อยากจะให้คนอื่นเนะีทำดีกับตัวเองแต่กลับทำไม่ดีกับตัวเองอยากให้คนนั้นคนนี้ทาดีกับตัวเองแต่ตัวเองเนี่ยกลับทำไม่ดีกับตัวเอง ที่จริงๆสำคัญเนี่ยนะเราต้องกลับมาพิจารณาว่าเนี่ยก่อนที่จะเรียกร้องใครมาทําดีกับเราถามตัวเองว่าเราทําดีกับตัวเองหรือยังทําดีกับตัวเองหอมายความว่ารู้จักดูแลกายและใจของตนไม่ใช่เพียงแค่ว่ากินอาหารที่มี ท, มที่มีประโยชน์ออกกำลังกายนะดูแลร่างกายไม่ให้เจ็บไม่ใป่วย น, นะอันนั้นเป็นแค่การทําดีทางกายแต่ต้องทําดีกับใจตัวเองด้วยก็ค <disagreement? S 1> ืออ่าเป็นคนที่รู้จัก รักษาใจของตัวเองนะไม่กิเลสครอบงาไม่ให้อคติศรัทจิตเนี่ยมันบังคับผักสายกายวาจาของเราให้ทําในสิ่งที่เป็นทโทษกับตัวเองอถ้าเราไม่รักษาศีลไม่รักษาธรรมนะจะเรียกว่าทํำดีกับตัวเองไม่ได้เพราะว่าพอเราไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยนะเราก็ทําให้ชีวิตใจเศร้าหมองทําให้เรียกเป็นการเชิญชวนความทุกข์ เรื่องเดิมนร้อนใจมาใส่ตัวจริงอยู่นะักศีลท่ามนะันเป็นเรื่องของการไม่เปลียนเรียนผู้อื่นแต่ถ้าเรารักษาศีลดีเนี่ยผลดีก็ตกกับเราด้วยนะไม่ได้เกิดกับคนรอบตัวเราไม่ปไมปขโมยของใครเราไม่ไปขโมยของใครเราไม่ไปนินทาว่าร้ายใครเนี่ยนะก็ทําให้เรานะอยู่เย็นเป็นสุขนะไม่มีเรื่องกัดกรด ก, กุ้มใจน่าคิดนะ เรียกร้องให้ใครกับใคมาทําดีกับตัวเองแต่ว่ากลับละเลยที่จะทำดีกับตัวเองมันก็หมือความว่าอย่าสาดน้ําโคลนใส่ฉันนะแต่ตัวเองเนี่ยกลับเอาน้ําโคลนมารดใส่ตัวเองเอาน้ําโคลนมาลดใส่ตัวเองหลายว่าไม่ทําดีกับตัวเองเรียกร้องจะให้คนนั่นคนนี้ทําดีกับเราแต่กับตัวเองไม่ยอมทําดีนะกับตัวเองด้วยถึงแม้บางคนอาจจะบอกว่าฉันดูแลสุขภาพดีไม่กินเหล้า ไม่เอายาพิษมาทำร้ายร่างกายนะไม่ทำให้ติดใจมัวเมาเพราะอำนาจของยาเสพติดการรักษาศีลดีแต่บางทีก็อาจจะยังทำไม่ดีกับตัวเองเพียงพอนะก็ะคือไปหาเรื่องใส่ตัวหาเรื่องหาความทุกข์มาใส่ใจิตใจเช่นเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะใครพูดไม่ดีกับตัวใครทำไม่ดีกับตัวผ่านไปนะเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็ยังเจ็บอามาคิด อันนี้ก็หมือนกามว่าทําร้ายจิตใจตัวเองมันก็เอามีดมากิีดใจตัวเองสิ่งที่ผิดพลาดที่เคยทํากับอุปกาลีพูดมีพระคุณผนะ่านไปนานแล้วสิบยี่ปีแล้วก็ยังหวนคิดถึงมันแต่ล้วก็รู้สึกผิดรู้สึกหมายความว่าจิตใจถูกบิดคั้นคอยห่วงกังวลพาวังถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งที่มันยังมาไม่ถึงก็ห่วงไปร่วมหน้าตีต้นไปก่อนไถ้อันนี้ก็เลยว่าหาทุกมาใส่ตัว หรือว่าเอาทุกมาทับถมต้นอย่างที่พูดเมื่อวันณาสละมันถ้าเรารักตัวเองพยายามทําดีกับตัวเองก็ต้องไม่รักไม่เก็บไม่รักษาอารมณ์เหล่านี้มาไว้ไม่ไปคว้ามันมาทําร้ายใจเผารนใจกรีดแทงใจถ้ารู้ว่ามีเมื่อไหร่ก็ต้องพยายามถ่ายถอนมันออกไปอันนี้เรื่องทำดีกับตัวเองแต่คนส่วนใหญ่หวงแหนหวงแหนอารมณ์อารมณ์โกรธอารมณ์เศ ร, า ร, า ร, า ร, าร้าความพยาบาทมีในใจก็ แทนที่จะปล่อยแทนที่จะวางถ้าโกรธก็ให้อภัยก็กลับไม่ยอมให้อภัยบางทีลูกหลานมาขอร้องแม่ให้อภัยก็ไปเธอะนะอย่าเก็บเอาไว้เลยเรื่องมันผ่านไปตั้งยี่สบสาสิปีแล้วคนในละคุณก็ปล่อยเข้าไปบ้างนะเพราะว่าคิดคิดถึงเขาพูดถึงเขามันก็เจ็บปวดนะนะลูกหวงแม่พ่อแม่เอาแต่พูดเรื่องนี้แม่ดีๆทุกเรื่องเป็นคน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อ่อนโยนแต่พอพูดถึงใครบางคนโอจะอารมณ์ขึ้นเหมือนกับเปลี่ยนเปนคนละคนนะลูกก็กลัวแม่จะอยู่ไม่เป็นสุขนะถึงตายเวลาตายก็ตายด้วยอารมณ์แบบนี้ก็ไปอาบายลูกก็บอกให้ขอให้แม่ให้อภัยโอยแม่โกรธลูกเลยไนหะเหมือนกับว่าลูกกําลังมาแย่งชิงของรักของหวงของแม่ไปไอความโกรธมันเป็นของรักของหวงของเราตังา้งแต่เบอร์ไหลนะ มันน่ารักน่าห่วงหรือเปล่าแต่เราก็กลับห่วงแหแลมันเอาไว้ความเศร้าก็เหมือนกันนะห่วงแหลมันเหลือเกินอย่างนี้เรียกว่าไม่ทําดีกับตัวเองนะบอกคนอื่นว่าอย่าสร้างทุกข์ให้กับฉันอย่าหาเรื่องมาใส่ตัวฉันนะแต่เราเองเนี่ยกลับหาเรื่องมาใส่ตัวหาความทุกข์มาใส่ใจอย่าสาดโคลนใส่ฉันนะแต่ว่าเอาน้ำโคลนมาลดตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เรียกว่านะไม่ทําดีกับตัวเอง าการทําดีกับตัวเองนี่นะั่นนอกจากมายถึงการฝึกจิตฝึกใจแล้วนะั้นก็ยังรวมถึงการช่วยเหลือผู้อนะื่นเนียนะบางครั้งองศาช่วยเหลือผอื่นนี่มันเป็นการทําดีกับตัวเองได้ช่วยเหลืผู้ก็คือการทํำดีกับคนอื่นนะแต่ที่จริงมันเป็นการทําดีกับตัวเองด้วยเพราะว่าพอเราทําแล้วจิตใจเราสบายเรามีความสุขนะเราช่วยคนอื่นเขามีรอยยิ้มเราก็พรอมมีรอยยิ้มช่วยมีความสุขด้วยนะอย่างที่อาจารย์สุรินทร์ได้เล่าไปเมื่อสองวันก่อนเราช่วยเหลือคนอื่นให้พานอย่างผู้อื่นนะ มันคือการทําดีกับตัวเองเพราะเป็นการลดละความเห็นงกระตัวลดละกิเลสลดล ะ, ล ะ, ล ะ, ละตันหาลดล ะ, ล ะ, ละตนหนีซึ่งผลดีเกิดกับใครเกิดกับเราเองฉะนั้นทําดีกับตัวเองนี่มันมันมีความหมายกว้ามันไม่ใช่แค่หาสิ่งสบายหาความสุขมาใส่ตัวหรือว่าความสุขในทางวัตถุมันมีความหมายลึกไปกว่า น, นั้นนะการตั้งมันอยู่ในธรรมนอกจากไม่ผิดศีลแล้วนะ ไม่ไปเบีเยดเบียนใครแล้วก็ยังช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนด้ว ย, วยอันนี้คือการทําดีกับตัวเองเป็นการสร้างเิรีมงคลให้กับตัวเองและรวมไปถึงการรักษาใจด้วยนะไม่ให้อารมณ์อกุศลไม่ให้อารมณ์ที่เป็ น, ปนโทษภัยนี่มันมาหมักหมมสะสมอยู่ในใจถ้าทํางั้นคือการทําร้ายตัวเองไม่ใช่ทําดีกับตัวเองดังั้นก่อนที่เราจะไปเรียกร้องให้ใครตอบใครทําดีกับเราเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าเราทําดีกับตัวเองเราดีอย่าง ก่อนที 2, sí. ่จะเรียกร้องให้ใครมาให้ความเคารพกับเราถามตัวเองว่าเราเคารพตัวเองหรือยังก่อนที่ไปผลว่าเนี่ยเขาไม่ให้เกียรติเราเรารักษาเกียรติของเราแล้วหรือยังทั้งหมดนี้กลับมาที่ตัวเราเนีเป็นจุดเริ่มต้นและพอเราพอเราทําดีกับตัวเราเองแล้วนะมันก็จะเห็นความสําคัญของการทําดีกับผู้อื่นเมื่อเรารักษาเกียรติของตัวเองเราก็จะเห็นความสําคัญของการให้เกียรติผู้อื่นเมื่อเราเคารพตัวเอง เราก็จะเห็นความสําคัญของการให้ความปรับแต่งรู้อื่นและสุดท้ายนะเราก็ทําให้ชวตจิตใจเราจเจริญงอกงามอะไรที่เราทำเนี่ยทำดีกับใครเนี่ยความดีนั้นก็จะกลับมาที่ตัวเราแต่ถ้างตรงข้ามกนะ็คือว่าเราทําไม่ดีกับใครไอ้ความไม่ดีนะั้นก็เนี่ยรู้สึกกลับมาที่ตัวกลับมาที่ตัวแล้วแทนที่จะถ่ายทมัอนออกไปนะเช่นความโกรธความเกลียดความทุกข์ความเศร้ย า, ายังเก็บเอาไว้อีกรักษา ม, มันหัวงแหนมันเหมือนกับเป็นนะของรักของห่วง เนอย่างนี้กันส่วนใหญ่นระลองสังเกตดูนะส่วนนี้ไม่รู้ตัวหรอกแต่ส่วนใหญ่แล้วก็โหงแหนนั่นแหละอารมณ์เราไม่ได้โหงแหนเฉพาะเงินทองสิ่งที่ให้ความสุขกับเราแอ้สิ่งที่มันมีบคั้นติดจใจเรากีดแทงใจแล้วก็โหงแหนไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมสลับมันออกไป